ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงปฐมดารุสูตรคือประสูตรที่ว่าด้วยท่อนไม้สูตรที่หนึ่งมีข้อความโดยสรุปว่าเมื่อครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา แต่อพระเนตเห็นท h o n ไม้ลอยมาในน้ำา h o นหนึ่งก็รับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอเห็นท h o n ไม้ท h o n น, นันไหมภิกษุก็กราบทูนว่าเห็นก็รับสั่งว่าทอนไม้ท h o น, นี้ถ้าหากว่าไม่ถูกกระแสน้ำซัดขึ้นทางฝั่งนี้หรือไม่ถูกซัดขึ้นทางฝั่งโน้น หรือไม่ถูกมนุษย์หยิบขึ้นหรือไม่ถูกอมนุษย์ยึดครองหรือว่าไม่ถูกน้ําบ่นไปหมุนเอาไว้หรือไม่จมลงใต้พื้นน้ําหรือไม่ถูกอะไรไปเกี่ยวไว้หรือไม่ไม่เปื่อยยุ่ยซะก่อนแล้วก็จะลอยไปสู่หมหาสมุทรได้ในที่สุด ก็ภิกษุรูปหนึ่งเมื่อได้ฟังแล้วก็กราบทูลถามว่าคําว่าขวางนี้ขวางน้นเป็นต้นนั้นเธอหมายถึงอะไรก็ทรงแสดงว่าขวางนี้คืออายตนะภายในขวางนลคืออายตนะภายนอกคือขวางซ้ายของขวานะแล้วก็คาว่ามนุษย์จับไว้นั้นก็หมายถึงการ สนุกสนานอยู่ในรูปของคนถูกอมนุษย์จับไปก็หมายถึงเพลิดเพลินในสวรรค์น้ำบนก็หมายถึงกามคุณการจมลงก็หมายถึงนันที่ราคะคือความกำหนัดโดดหนาจความเพลิดเพลิน ม, มีอะไรเกาะไว้เกี่ยวไว้ก็หมายถึงอสมิมาณนะที่น่าในหรือเปื่อยข้างใน ก็หมายถึงมีความบุกพร่องในด้านความประพฤติทางจิตใจหรือที่การแสดงออกมาทางกายเป็นต้นเมื่อทรงแสดงเช่นนั้นในขณะที่ทรงแสดงอยู่นั้นก็มีคนเลี้ยงโคคนหนึ่งชื่อนันทะเป็นนายโคบาลือคนเลี้ยงโคก็เกิดประทับใจขึ้นมาเพราะตอนฟังตอนแรกๆ ก, ก็ดูเหมือนกับพูดเรื่องธรมธรมดาธรรมดา แต่ังตอนที่สองก็เกิดประทับใจบ้างก็กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จะไม่ยอมให้ถูกสัต์ขึ้นฝั่งโนนและถูกสัต์ขึ้นฝั่งนี้จะไม่ยอมให้มนุษย์เรือยมนุษย์จับไว้และจะไม่ปล่อยให้น้ำบนมาหมุนเอาตั้งจะไม่ยอมจมลงและไม่ยอมให้ไรเกี่ยวไว้จะไม่ให้เกิดนาวข้างในและจะไปสู่ฝั่งสู่มหาสมุทรได้ได ก็ขอจะขอบวชในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ประทานพุทธานุญาตแต่แกมาเลี้ยงโคนะฮะเยวโคเข้ามาเลี้ยงก็กราบทูลถามว่าแล้วจะให้ทํำยังไงกับโคเนี่ยพระพุทธเจ้าก็รับสั่งบอกเอาไปคืนเจ้าของก็ก่อนเมื่อท่านเอาโคไปคืนเจ้าของเขาเรียบร้อยแล้วก็กลับมาขอบวชในพุทธสําสนาบวชแล้วบำเพ็ญเพียรก็บรรลุ อรหันต์เป็นพระอรหันต์นี่เป็นข้อความโดยสรุปในปะะปฐะะมาดารุปอมาสูตรคือประสูติที่อุปมาด้วยท่อนไม้ระสูตรที่อุปมาด้วยท่อนไม้ ส, มไมสูตรที่หนึ่งเพราะในแถวนี้จะทรงแสดงเอาท่อนไม้มาเป็นครูสอนเยอะแยะไปหมดเลยสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็บ้าไปด้วยนี้ก็พูดเฉพาะสูตรที่หนึ่ง าการที่พระผู้มีพระภาคเจ้านําเอาสิ่งต่างๆรอบตัวมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนนั้นจะเรียกว่าเป็นโบหารเทศนาคือเป็นเทศนาที่มากด้วยโวหารโดยนําผู้ฟังไปสู่เป้าหมายที่สมประสงค์ซึ่งแน่นอนในแง่ของเป้าหมายที่สมประสงค์ก็เป็นเป้าเดียวกัน การนําเอาท่อนไม้หรือนําอะไรก็ตามมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงหยิบมาได้ตลอดระยะเวลาทุกคนทุกแข่งที่ประทับนั่งอยู่ทีนี้การนํามาเป็นอุปมาเปรียบเทียบเนี่ยมื่อขึ้นอยู่กับจะใช้ในเรื่องอะไรก็ไม่เหมือนกับอุปกรณ์การสอนของระบบการศึกษาในปัจจุบันจะสอนอะไรก็ต้องแบกเครื่องไปต้องผลของไปของพุทธเจ้ า, ท, าท่านเบา มีเป็นคนประพฤติเบาไม่มีอะไรเลยแล้วก็พร้อมที่จะหยิบเอาสิ่งนั้นๆที่ใกล้พระองค์ที่สุดขึ้นมาท่านทั้งหลายจะเห็นว่าในกรณีของท่อนไม้ที่คุ้นๆกับเราเนี่ยที่เราฟังกันอยู่บ่อยๆได้ยินบ่อยๆพระเจ้าก็เอามาตั้งแต่นนท์นะตั้งแต่ก่อนจะสรู้มันก็เรียนจากท่อนไม้เหมือนกันเช่นว่าเปรียบคนเหมือนกับท่อนไม้สามท่อน โดยท่อนหนึ่งก็เปียกยางเปียกน้ำคือคือเปียกยางไ ม, ไม้สดแช่น้ํากับไม้สดวางไว้บนบกกับไม้สดไม้แห้งวางไกลน้ําแล้วก็พระองค์ก็ทรงคิดขึ้นมาอุปมาเปรียบเทียบแล้วกระจายแนวในการปฏิบัติออกไปได้กว้างขวางว่าสมณพรามหมณ์เราใดเหล่าหนึ่งมีกายก็ยังไม่ออกจากกาม ทั้งจิตใจก็ผัวพันหมกมุ่นอยู่ในการสมณพราหมณ์เหล่านั้นแม้จะใช้ความเพียรพยายามให้เหนื่อยยากแสบเผ็ดสาหะสาหัดยังไงก็ตามก็ไม่สามารถจะบรรลุคุณพิเศษได้เหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางและวางไว้ในน้ําเมื่อบุคคลต้องการสียไฟก็ไม่อาจที่จะนํามาเสียเกิดไฟขึ้นมาได้อุมาข้อที่สองนี่ว่าสมณพรามหมณ์เราใดเหล่าหนึ่งที่กายออกจากกามแล้วแต่ว่าใจา ย, ยังผัวพันหมกมุ่นอยู่ในการ สมณพราหมณ์เหล่านั้นแม้จะใช้ความเพียรพยายามให้หนักหนาอย่างไงก็ตามก็ไม่สามารถบรรลุภุตอภิเศตได้อันเหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางแม้วางไว้ไกลน้ําก็ไม่อาจที่จะสีมาทําไม้สีไฟให้เกิดเป็นไฟขึ้นมาได้สมณพราหมณ์เราใดเหล่าหนึ่งข้อที่สาว่าสมณพราหมณ์เราใดเหล่าหนึ่งที่กายก็ออกไปจากกรรมแล้วใจก็ไม่ผัวพันหมกมุ่นอยู่ในกรรมสมณพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อใช้ความเพียนพยายามไป ก็จะบรรลุคุณพิเศษได้เหมือนไม้แห้งที่ปราศจากยางและก็วางไว้ใกล้น้ำเมื่อบุคคลนำมาสีก็ก่อให้เกิดไฟขึ้นมาได้นี่ก็เป็นอุปมาที่เรียนท่อนไม้อีกแนวหนึ่งคือเรียนในแนวของการปฏิบัติโดยโดยมีเป้าหมายอยู่ที่เอาไม้มาสีไฟนะฮะคือจะให้เกิดไฟเนี่ยมันก็มีแม่ไม้ถึงเป็นไม้แห้งแล้วเราไม้มาอีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็นไม้แห้งนั่นกันคือถ้าว่า สดทั้งสองอันมันก็ไม่ติดหรือว่าสดอันเดียวก็ไม่ติดต้องแห้งหมดทั้งสองอันจึงสีไฟได้การบรรลุคุณธรรมสูงสุดในทางศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้นคือทั้งกายทั้งใจจะต้องออกมาจากการได้ถ้ายังติดอยู่สักอย่างมันก็ไปไม่ได้เพราะชีวิตมันก็คือกายกระจายอย่างที่รู้กันทีนี้อีกประการเด่นก็คืออะไรก็คือสอนขันตอนสุดท้ายของชีวิต อจิรังวตยังกาโยปัทวิงนาทิเศสสติสุดโดอเปตวิญญาโนนิรัตถังวะคดิกะั ง, งร่างกายนี้ไม่นานหนอจากนอนทับเหนือแผ่นดินเหมือนทอดไม้เมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วก็จะทิ้งอยู่บนแผ่นดินเหมือนทอดไม้แล้ว ก, ก็เอาท่อดไม้อีกอะ่ะเดี๋ยวมาสอนอีกแนวหนึ่งอีกมุมหนึ่งมานี่มาเอาอีกมุมหนึ่งตอนนี้มุมหนึ่ ง, อองคือท่อดไม้ตอนเดียวเนี่ยพระเจ้าเทพได้เป็นปีๆเลย ก็ว่าไปได้ไดทีนี้เป็นเป็นคือเราจะมองเห็นเรื่องความเป็นพระสัพพันธ์อยู่จริงๆทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดจะเอามาเทศได้ทั้งหมดเลยและที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็ในฐานะของศ า, าสดาเนี่ยจะไม่ปล่อยให้ลูกศิษย์ว่างก็นั่งอยู่ไปพั ก, กริมแม่น้ำแม่น้ำคงคาถ้าปล่อยให้ว่างประเดี๋ยวก็คุยอะครับคนเรามันวิตตกมันเยอะ มีตกเยอะมีตกเยอะพอพอวิตกมากก็ต้องคุยพอคุยก็ดึงเรื่องมาได้เลยดึงความคิดมาแล้วเอาก็สิ่งที่ง่ายๆเป็นแนวคิดนี้แนวเดินทางนะฮะเป็นแนวเดินทางท่านต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเคยแสดงความอัศจรรย์ของธรรมวินัยไว้แปดอย่างใน8อย่างในในข้อหนึ่งในในข้อสุดท้ายนะฮะคือน้ำมาในหมหาสมุทรคืออุปมาเหมือนหมหาสมุทร ธรมินนั้น อ, อุปมาเหมือนกับมหาสมุตว่าแม่น้าจะมาจากทิศไหนก็ตามจะมาจากแหล่งไหนก็ตามพอมาถึงมหาสมุทรมันจะอยู่รสเดียวท่านนั่นเองคือรสเข็มเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศา ส, ส, สนานั้นจะมาจากตรงไหนก็ตามฮนะแต่อย่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเดีก็แล้วกันคือว่าเดินมาทางสายสมารสิทธิทิฏฐิที่ทรงแสดงเอาไว้เนี่ย เราจะเริ่มที่สมถะที่วิปัสนาเริ่มที่ศีลหน้าเริ่มที่ทานที่ศีลอะไรอาไรก็เริ่มมาแล้วก็เดินทางมาสายที่ส่งแสดงและในที่สุดจะบรรจบกันที่วิมุตติรสคือจะประสบรสอันเดียวกันเพราะฉะนั้นความไม่แตกต่างในพระธรรมวินัยนั้นจะอยู่ในจุดของวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นจากกำนานกิเลสหลุดพ้นระดับใดก็จะไม่แตกต่างกันในระดับนั้น เพราะงั้นในที่นี้จึ ง, งส่งแสดงในรูปของวิถีชีวิตคือการเดินทางในสังสารวัตกันเลยการเดินทางในสังสารวัตทั้งช่วงสั้นช่วงยาวนะฮะท่านทั้งหลายจะพบว่าในช่วงยาวนั้นไม่ต้องห่วงคือถ้ายังพรุงพรั่งอยู่ด้วยพวกนี้มันก็ไปไม่ได้แล้วในช่วงสั้นคือหมายความว่าในชีวิตเราชีวิตเราก็เปรียบเหมือนกรทถางไม้ที่ที่ลอยไปนะฮะลอยไป ก็อาจจะออกทะเลได้เพราะว่าปกติมันน้ำมันก็จะลาดต่ำลงไปสู่ทะเลแต่ว่าก็มีปัญหาว่าจะออกได้หรือไม่ได้เนี่ยในที่นี้ทรงแสดงอะไรไว้ประการแรกก็คือน้าท่อดไม้ท่อนนี้จะไม่ถูกซัดขึ้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งขึ้นฝั่งซ้ายหรือขึ้นฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็เป็นอายตนาภายในฝั่งขวาก็เป็นอายตนเป็นอายตนะภายนอก หมายถึงความกำหนัดความเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องอะไรนะนยถาณะภายในภายนอกในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะซึ่งจะพบว่าชีวิตของคนเราอย่างที่พูดกันแล้วว่าโลกเราเป็นโลกของสัมผัสปัญหาในชีวิตทั้งด้านบวกด้านลบมันก็อยู่ที่สัมผัสคือสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกสูดดมลิ้นในลิ้มกายเลยถูกต้อง ถ้าหากว่าใจของบุคคลยังมีกำหนัดวังมีความเพลิดเพลิน อ, อยู่ในเรื่องเหล่านี้มันก็ไปไม่ได้เหมือก็ะอดไม้ลอยมาก็ถูกซัดขึ้นขวางมันก็ติดอยู่ที่ฝั่งนั่นเองและประการต่อไปก็คืออะไรก็คื อ, ค, อคือถูกมนุษย์จับไวนะ้คำว่ามนุษย์จับไว้หมายถึงว่าเราไปวุ่นวายอยู่กับภารกิจต่างๆที่เรียกว่า ภูกิจาภาูกาณิยานะมีกิจมากมีเรื่องมากเก็กลากไปไทยลากมามั่วหมดเดอยู่ ก, ก, ก, ก็ก็หาความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ในที่สุดมันก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องเหล่านั้นไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะสร้างความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของตัวเองเพราะมีภารกิจที่จะต้องจัดจะต้องทาจะต้องเกี่ยวข้อง ยังไม่ต้องอะไรแล้วคะแม้แต่ว่าท่านตั้งหลายคือเราดูในช่วงแคบๆถ้าท่านตัางหลายถ้าหากว่าท่านไม่ปล่อยวางภารกิจอะไระงานจบแต่งงานวันเสาร์เพื่อนนัดเที่ยวอะไรๆหมดเลยคือถ้าเราวางไม่ได้เราก็มาไม่ได้แล้วไม่ต้องเอาให้มันไกลๆทีนี้ถ้ายิ่งมากเนี่ยก็ยิ่งมีปัญหาเพราะภารกิจเหล่านั้นจะผูกพันเราไว้ตลอดเลยพวกการงานต่างๆ อย่างที่กล่าวในสูตรก่อนที่ทรงแสดงในสูตรก่อนที่ทรงใช้คำว่าอัปปกิจโจอ่คือคนที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางได้นั้นจะต้องเป็นผู้มีกิจการงานน้อยอะไม่มีภาระไม่มีเรื่องพรุงพังมากไม่มีเรื่องบุญวายมากเพราะถ้าหากวามีมากแล้วมันก็ลามปามเข้ามาจะนั่งกรรมฐานา ม, มันก็กลายเป็นปริพุธเป็นเครื่องของบนนี่ก็คือการงานในหมู่มนุษย์หรือยิ่งเป็นพระเราบางชีก็ ไปอยู่ในกิจกรรมของชาวบ้านนะตอนนั้นในในวินัยเนี่ยพระเจ้าจึงขีดเอาไว้ว่าพระเราจะไปอยู่ในกิจกรรมของชาวบ้านได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรมันมีแต่สนับสนุนกับประสานงานตอนนั้นเองคือแต่จะเข้าไปครุบจริงๆไปช่วยจัดงานจัดการไปช่วยอะไรไปข้าวศพข้าวผีให้เขาวุ่นวายมันจะเรื่องของพระือ้ชาวบ้านเขาไม่นับถือก็อย่าให้เขานับถือ เ, เรื่องนี้ แม่มันไปไม่ได้เรามันวุ่นวายไปหมดเลยพระพุทธเจ้าจะขีดเส้นในด้านวินัยไว้คือไม่ใช่ไม่มีน้ำใจเลยแต่ว่าต้องอยู่ในขอบขายของพระไม่จะออกไปจนถึงกจุนจ้านก็เป็นความประสานงานกันพอดีพอดีพระก็ไม่ถึงกับใช้ชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่ถึงกับ ร, รับชายพระแต่อยู่กันในลักษณะเพื่อนประพฤติพรหมจันทร์ในพระพุทธศาสนาด้วยกันแล้วก็ปฏิบัติคือ เกื้อกูลกันเท่านั้นแต่ก็ไม่ให้วุ่นวายมากเกินไปเช่นเช่นว่าการจะไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านใดแต่ใดต้องมีกิ จ, จลักษณะเวลาไหนควรไปหรือไม่ควรไปไปเวลาเขากินข้าวห้ามไปเวลาเขาจะอยู่พักผ่อนกับลูกกับเมียเขาก็ห้ามไปอะไรต่างเยอะแยะเลยวินัยนิยขีดเอาไว้เพื่อไม่จุนจ้านวุ่นวายต่อไปต่อไปก็คือเรื่องอะไรก็คือเรื่องอมนุษย์นะฮะ เรียกอมนุษย์จับไว้คําว่าอมนุษย์นั้นไม่ใช่คำหยาบนะฮะอมนุษย์ในบางทีมันดีกว่ามนุษย์บางทีต่ํากว่ามนุษย์ก็ไม่แน่อมนุษย์เป็นคํารวมๆคือนอกจากมนุษย์มันก็เป็นอมนุษย์เท่านั้นเองเพราะงั้นอมนุษย์ที่สูงสุดก็คืออะไรคือพรหมอมนุษย์ที่ต่ําสุดก็คือพวกนรกมันก็มีทั้งต่ำทั้งสูงอมนุษย์ก็คือพวกไม่ใช่มนุษย์เพราะคําว่าอมนุษย์ ที่ตามไว้ในที่นี้เนื่องจากตรงนั้นนะฮะตรงนั้นก็รู้สึกจะเน้นไปที่นายนันทะโคบาลมากว่ารรมาเตษนากันนี่แล้วก็สมายถึงว่าการที่บุคคลทำดีอะไรนะฮะอย่าลืมว่าวันนี้เทศมุ่งมุ่งหมายสมุดคือ น, นิพพานนะฮะแต่เดี๋ยวโยมจะไปตกใจท่านทรงแสดงว่า คำาอามนุษย์จับในทีน่นี้หมายถึงว่าการประพฤติปฏิบัติความดีอะไรของคนแล้วเนี่ยก็ต้องการจะเกิดเป็นเทพประบุตรเป็นเทพทิดาอยู่สวรรค์วิมานอะไรตัไรเนี่ยฮะมีสวรรค์วิมานใหญ่ๆโยมบัง ง, ง์พอไปเจอกหลุงพอ่อบางงงโอ้เมื่อคืนนี้อาตมานั่งนิมิตเห็นวิมานของโยมเกิดขึ้นแล้วยมล่วงบดกระปาเลยก็เดินกลับเดินกลับบ้านมีค่ารถกลับออไอ้อย่างงี้มันมัน เป็นการปฏิบัติโดยมีภาวะตันหามากมันก็เสริมภาวะตัญหาในแง่หนึ่งนะฮะในแง่หนึ่งเราจะเห็นว่าในแง่ของสังสารวัตนั้นทร ง, งสอนในแง่ของสั ง, ส, งสารวัตรคือถือว่าเป็นการตกแต่งภบชาติให้ประณีตแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ส่งเสริมให้คนปฏิบัติจนบรรลุอรูปฌานเพราะาเพราะอรูปฌานนั้นมันไม่ได้เรื่องอะ มันไปพักสังสารวัฏเอาไว้และบางทีพระพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติตัวเองยังจุติมาไม่ได้เลยก็ผ่านพ้นโอกาสไปพระพุทธเจ้าจะสอนในในระดับแค่พรหมโลกธรรมดาไม่ให้ถึงอรู ป, ปรพรหมตัว ร, รู ป, ปรพรหมนี่จะจะเสียเวลามากเรียกว่าพระพุทธเจ้าอาจจะเกิดตั้งสององค์แล้วเสือนี่ยังไม่ยอมลงมาเลยเลยก็ไม่ได้หลุดพ้นกัเพื่อนสักทีหนึ่งนี้มันก็ติดในสุข คือติดในที่ไปยสุขจะเพลินจะเพลินอยู่ในสุขกรนั้นก็ถือว่าถูกอมนุษย์มันจับไปก็ดีนะฮะในชั้นของสังสารวัติแต่อย่าลืมตรงนี้ทรงแสดงเรื่องงน่นไปไปสู่วิมุตสิ่งเหล่านี้ก็เกิดเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่จะมุ่งสู่พระนิพพานแสดงไปเป้าหมายสูงไกลกว่านั้น ดังนั้นในชั้นของศีลจะพบว่าศีลชาวบ้านพระพุทธเจ้าไม่ว่านะฮะศีเลนสุกติเงยียติเลยแต่ศีลพระนี่ไม่เอาครับพระที่ไปประพฤติพรหมจรรย์ยอมบวชเดีสักปีบำเพ็ญพรหมจรรย์นในเกิดชาติหน้ามีนางอับสรสักห้าพันแน่ๆไม่ได้ไม่ได้ครับพระนี่ไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์แบบนั้นไม่ได้ผิดศีลทำพระแล้วก็ผิดศีลถือว่าศีลทะลุศีลด่างศีลพล้อยเศร้ามอง พระต้องประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับไปมุ่งสวรรค์นิพพานไม่ได้ไม่ใช่ไปมุ่งสวรรค์ไม่ได้นะฮะไปมุ่งนิพพ า, านนะิพพานน่ะกรอนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคประการหนึ่งที่ถูกอามนุษย์จับไปเนี่ยประการต่อไปก็คืออะไรก็ถูกน้ําบ่นฮะถูกน้ําบ่นมันหมุนไว้ ตอนไม้อะไรก็ตามอะไรก็ตานะครับถ้าถูกน้าบนมันก็หมุนอยู่ที่น้ำมันก็ไปไม่ได้บอกน้ําบด น, นี่คืออะไรในปริยายหนึ่งในไพ่สี่ข้อทรงแสดงไว้เหมือนกันน้ําบนในที่นี้ก็คือกาหมคุณกาหมคุณก็คืออะไรฮะคือรูปเสียงกลิ่นรสขังตปอีกแล้วก็แค่นั้นน่ะมีแค่นั้นแหละคล้ายๆมันง่ายนะแต่เป็นยากมันง่ายแต่ว่ายากในการที่จะรู้ความจริงในการที่จะถ่ายทอน ที่ที่ทรงแสดงในจตุการนิบาตังคุตในกายแสดงเป็นภัยสี่ข้อภัยก็มีอะไรมีจระเข้นะมีคลื่นมีน้ําบนมีปลาลายอันนี้อีกแนวนะ่งอีกแน่หนึ่งคือแสดงถึงการเดินเรือแสดงถึงการเดินเรืออันนี้แสดงถึงท่อนไม้ลอยแต่ที่จริงมันก็แนวเดียวกันฮนะไอพวกจระเข้ก็คือพวกเห็นแก่กิน เห็นกินกินไม่เลือกกินอะไรบางทีก็เพื่อนเอาลูกฟักร้อนๆโยนใส่ปากงับปั๊บก็บตายกั น, นี้ก็ภัยกันจระเข้พายคือคลื่นก็คืออะไรก็คือกระทบกระทั่งอะไรนิดหน่อยไม่ได้ขี้โกรธอะ่เะเขาขี้โกรธทั้งหลายเงินเงีดขี้โกรธแล้วภัยคือน้ําบนมันก็คือการประกุเหมือนกันพายคือปลาไรา้ก็เป็นเรื่องของเพศตรงกันข้ามก็แล้วแต่ใครนะฮะคือถ้าผู้หญิงก็ผู้ชายผู้ชายก็ผู้หญิง ถือว่าก็เหมือนก็เป็นปลาลายเ อ, อ่อนี้พูดถึงคนที่จะเดินทางไปสังสารวัตรเพราะงั้นไอ้ไอ้นำวนนะฮะท่านจั้งหลายจะเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรถผุถภาเนี่ยมันวนกระทาเราวนเนี่ยเนี่ยบางทีคนเราไปวนอยู่ที่ห้างสรรพสินค้านี่วนย่งนั้นเดินเมื่อยขาไปนั่งบีบขายซื้อไม่ได้กี่จิ้นนะฮะมันวนดูรูปโน้นรูปนี้รู ป, น, น, ร ป, น, รปนั้นรูปนั้นไอ้ตานหามันกระซิบด้วย อันนี้สวยนะพี่อันนี้สวยนะอันนี้ดีนะอันนี้มาใหม่นะอันนี้ก็ว่าไปเรื่อยอะไรว่ามุนยังไงมันวนนะ่ะน้ําวนน่ะมันก็เดินอนยะังไงเนี่ยอะไรนะสมัยเด็กๆอ็กะมาเคยได้ยินเพลงอนะจำจำได้ท่อด น, นะเดินไปเดินมาแถวสะพานหันนะอันเนี้ยก็ลักษณะน้นนะําวนเนี้ยมันวนอยู่ติกรรมของคุณแต่ลองดูไอ้สิ่งที่เราวนเราหมกมุ่นเราคุ้นคิดเราสแสวงหาเราได้มาเราถือครองเราเดือดร้อนต่อสู้ป้องกันจนถึงก็ลมหายตาจากเรื่องอะไรก็เรื่องน้นําวน รูปเสียงกลิ่นรสปรบพะห้าอย่างเท่านั้นไม่เคยอื่นเลยไม่เคยไม่เคยมีอย่างที่หกเราก็เพลิดเพลินกันอยู่ในนี้แล้วก็วนติดอยู่ในเรื่องเหล่านี้ซึ่งบางครั้งบางคราวมันก็เป็นการวนทำซ้ำซากๆ ก, ก, ก็เป็นแนวอะไรฮะแนวที่ทงแสดงในทุกกาสมุทัยโปโนภวิกาคือก่อให้เกิดความมีความเป็นเรื่อยไปอยากได้นี้อยากได้นั้นอยากได้น ố นานแล้ววังก่อนในอ่านหนังสือพิมพ์เรื่องอะไรนะอย่างนึกขำนะบอกว่ามีผู้หญิงที่มีชื่อเสียงในสังคมคนหนึ่งมีเสื้ออยู่สามรอยกว่าชุดอ่ะลยมันไล่ไม่มีที่จะนอนในเสื้อไล่เสื้อไ ล, เอล่เสื้อมันไล่เอากน็นึกอนี่ยนี่อะไรมันโปโนปาวิกาคือคือคือมาทุกแฟชั่นทุกเที่ยวเมเลยก็เอามันทุกอย่างแต่เวลาเราสวมเราสวมได้จีรชุดต่นนั้นเองก็กลายเป็นอะไรก็กลายเป็นคนรักใช้คือหานายมารับ มาปกครองเราสิ่งโน้นมาปกครองเราหาม า, ก, ก, วากว่าจะได้ก็ต้องลงทุนลงแรงเหนื่อยยากลำบากก็ตามแนวอะไรแน ว, แนวมาหาทุกขันทสุดท่านจะเห็นว่าประชุมมันก็เชื่อมโยงกับบทมหาทุกข์ันทสุดที่พูดในวังก่อนมันก็แนวเดียวกันก็เพื่อสนองตอบความต้องการของตนที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เรียกวัตถุกรรมนะวัตถุกรรมหรือกรมมงคลก็คือการนะฮะ คือกลุ่มของสิ่งที่ใจคนไปกําหนดว่าน่าครายน่าปรารถนาน่าพอใจมันทีมันเข้าวัตจักรเข้าวัตจักรในหมุนอย่างในมหานิทานในสูตรนั้นทรงทรงแสดงทรงแสดงถึงว่าจะ ต, ต้องเอามาสองสูตรมาบวกกันนะฮะแล้วเราจะเห็นว่ามันหมุนเลยก็ทรงเริ่ก ม, มาที่ที่กามาธาคือกําหนดว่าน่าครเชื้อของความพอใจนะฮะเราอาจจะพูดตรงมาเชื้อของความพอใจ แล้วกำหนดหมายว่าสิ่งนี้น่าใคร่ยน่าปรารถนาน่าพอใจแล้วก็ดำํำริถึงดำํำริถึงบ่อยๆต่อมาก็เป็นอะไรเป็นความพอใจที่สูงขึ้นพอพอใจมากมันก็ร้อนฮะเปลี่ยนและจิตมั น, เ ป, นเปลี่ยนเปี่นเป็นโลภะไปแล้พอร้อนก็เริ่มแสวงหาพอแสวงหาก็ต้องต่อสู้ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องไปจนอุปสรรคการงานตรงนี้สารพัดช่วงนี้แล้วเสร็จแล้วก็ได้มา ได้มาใน่ามกลางความเพลิดเพลินนั้นมันมีความทุกข์ความห่วงความมิตกกังวลอยอะรับเงินมาแล้วก็ต้องท้ายมองขวาในี่ยใครมันจ้องจี้มัง่งไงทุกวันยังแย่ใหญ่เลคือเราได้เงินจริงแต่วันมีทุกแฝงอยู่เยอะแยะไปเลยอันตรายรอบด้านนะเสร็จแล้วก็ได้มาก็มีการป้องกันมีการราราขามีความม่ต ก, กังวลแล้วพอมีคนมาถึง อายุแจ้งก็ต่อสู้กันเป็นอันตรายก็ต่อสู้กันแล้วก็หมุนข้าวัตจักรคือทุกโทมนัดเสร็จแล้วก็ก็อยากได้ต่ออยากได้ต่อมันก็เดินแถวก็หมุนอย่างเงี้ยหมุนหมุนอยู่ตลอดระยเวลาแบบน้ำบนํำวนเพราะฉะนั้นภาพที่ทรงยกมาในกรณนี้มันก็เห็นได้ชัดเลยเพราะฉิวชีวิตของเรามันก็วนอยู่เรื่องเนี้ฮะจับเรื่องอะไรจับเรื่องรูปจับเรื่องเสียงหรือบางทีเรื่องเรื่องยศเรื่องตําแหน่งมันก็หมุนวนอย่างเงี้ยว่างๆก็กลัวเพื่อน กลัวตัวเองจะไม่เป็นเนเพื่อนขวางหน้าเลยก็วางแผนฆ่าแล้วก็มีอะไรยุ่งอะหมดเลยก็นี้ก็คือเรื่องของวางน้ำบนตต่อไปก็อะไรฮะต่อไปก็จมลงเก่อจมคำว่าจมลงในที่นี้ทรงชี้ไปที่นันทิราคะนันทิราคะคือความกำหนัดด้วยอานาจความเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นอะไรก็เป็นนั่นอีกอเป็นพวกกรรมกุณ เนรูปเสียงกลิ่นรสผลิภตภัณจะเพราะว่าพวกเหล่านี้จะผูกตรึงเราไว้ในจุดที่เราพอใจให้ลองสังเกตว่าจาับใดที่เรายังพอใจในสิ่งอะไรอยู่ยังกำหนัดยังสยบติดในสิ่งเหล่านั้นอยู่เราก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเราไม่ไปหรอกก็เพลินกันอยู่อย่างนั้นเองก็ทําให้เรียกว่าจมลงไปสู่ ถูกกระแสของมหาสมุทรจมลงไปสู่ของทะเลแห่งแห่งกาเมคุณคือติดอยู่ในรูปในเสียงในกรดในรสในผลิตัณฑ์แล้วจิตเสร็จแล้วก็หมุนวนอยู่ในเรื่องเหล่านั้นต่อมาก็คือเกี่ยวคือมีอะไรเกี่ยวมีอะไรเกาะ เ, กเอาไว้หักอย่างนะฮะอะไรที่เกาะที่เกี่ยวนั้นก็คืออะไรก็คือเรื่องของอสมิมาณนะ อสมิมาณะคือมาณะว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นกัรสารพัดที่จะเป็นฮะวนี้มันก็อยู่อยู่สองชั้นแต่ชั้นนี้อย่าลืมว่าเป็นชั้นที่แสดงแสดงเพื่อเพื่อมุ่งไปสู่มาสมุทรอสมิมาณะถ้าระดับทั่วๆไปนั้นเราจะพบว่าก็ไม่ถึงกับห้ามอะไรเพราะมาณะนี่มันมีอาการใครอย่างหนึ่งคือใครสัญญา แปลว่าความสำนึกนะความสำนึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติตัวให้เหมาะควรแก่ความเป็นแต่เวลาใช้มันใช้ในแง่ของธรรมะอาการมันคล้ายกันจริงแต่มันมันมันมันอยู่คนละด้านส่วนมานะเป็นความถือตัวจัดอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอเพราะธรมพวกนี้กคือจะหมุนมาเจออยู่เรื่อยพวกตัณหามานะที่จิตเนี่ยเจออยู่เรื่อยอสมิมานะคือความถือตัวว่า เป็นเราเป็นของเราจนถึงก็เราเป็นถือในแนวนี้มันก็ถือออกมาสองแนวมันก็มีเจือตันหาอยู่ด้วยนะฮะมีปนตัญหาอยู่ด้วยคือถือว่าเป็นของเราด้วยแล้วก็เราเป็นด้วยมันก็เกี่ยวะเกี่ยวเกาะไว้ไม่ให้ไปได้บางทีเกี่ยวเอาไว้แม่้เข้าไปเลยอย่างดูเหมือนจะเคยเล่านะฮะเรื่องท่านสัญชัยบริภาชกตัวนี้ท่านเกี่ยวแรงเลย สันชัยนะท่านดีทุกอย่างนะฮะท่านเชื่อว่าพระพุทธเจ้าศัสรุเชื่อว่าเป็นอรหันตแต่สัมมาสมัมพุทธะแล้เชื่อว่าการปฏิบัติในสำนักพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถบรรลุมรรคผลได้จริงทรงลูกศิษย์ได้ไปบวชนะแต่ท่านไม่ไปท่านไม่ไปเพราะท่านมีความรู้สึ ก, กว่าแหมการคนระดับท่านเนี่ยถ้าเป็นคณาจารย์ใหญ่นะสมัยนั้นก่อนพระพุทธเจ้าอายุแกกว่า คื อ, ค, อ, ค, อคือมันมันมันเหมือนกระจับจระเข้ไปใส่ไว้ในตุ่มมันอึดหนะักมันอยู่ไม่ได้นี่มันนะหรือแม้แต่ท่านผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งแต่ว่าต่อมาท่านบรรลุนะฮะท่านพรามภาวรีพรามภาวรีคือคนในสมัยพุทธกาลเนี่ย ม, มีพรามพรามาวรีคนหนึ่งที่รูปร่างใกล้เคียงพระพุทธเจ้ามากคือมหาบริษัลักษณะได้ไปตั้งหลายอย่าง ได้ไปตั้งหลายอย่างคือาานคนล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้ามาเขาเป็นคนยุคก่อนพระพุทธเจ้าเป็นเป็นคนยุคนนท์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาแล้วท่านพระพุทธเจ้าในเป็นคนรุ่นเดียวกับพระเจ้าประเสิทิ์อุกศลนะฮะท่านผู้นี้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าหมหาโกศลพ่อของพระเจ้าประเสิทิ์อุกศลเพราะฉนั้นพอพระหมหาโกศนที่บ่งคดท่านก็ขอออกบวช ไปตั้งอาสมดีริมฝั่งแม่น้ําโคทาวารีทางอินเดียค่อนมาทางไอทางทางใต้นะแถบเขาวินาทัยอ่ะข่าวคลาวรู้ข่าวคราวเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าแล้วท่านเชื่อทุกอย่างนะส่งลูกศิษย์มาถามปัญหาและท่านตั้งปัญหาเองเราพูดถึงว่าปัญหาที่ถามที่ที่พบกันในคัมภีร์พระพุทธศาสนาคือปัญหาในมันสองคนถามด้วยนะฮะบางคนในโง่จังเลยถามปัญหานี่ไม่รู้เรื่องเล แต่บางคนนี่สดแสดงถึงว่าเป็นนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมดังนั้นปัญหาของท่านปรามภาวรีเป็นปัญหาที่ที่ถือว่าเยี่ยมที่สุดในการตั้งปัญหามาเนี่ย้วเบืองไทยเรานิยมเอาปัญหาโสรสปัญหาเนี่ยมาเผยแพร่ ก, กันมากท่านมองท่านเข้าใจอะไรเยอะเลยท่านเข้าใจเรื่องราวที่ที่เกี่ยวกับโลกกับชีวิตเนี่ยเช่นเช่นมาผูก ให้อจิตมนพถามปัญหาพระพุทธเจ้าเนี่ยถามไพเราะมากนะฮะถามว่าโลกคือหมูสัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืดถามอย่า ง, งนะั้นไม่เบานะะคือแสดงว่ามองว่าโลกเนี่ยมันมันมั น, ม, น, ม, นมันมีปัญหาแน่แต่มันมีอะไรบังเอาไว้จึงทาให้โลกไม่เข้าใจเหตุผลต่ตางๆเรื่องราว รู้ไปไปไ ป, ไปเกือบครึ่งไปนะรู้อะไรไปเกือบครึ่งไปนะตั้งปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วพระเจ้าก็ต่อไปตลอดในโสลดปัญหามายัางย่งนึกนึกอยู่ว่าจะจะพูดเรื่องโซลดปัญหาสักจีแต่มันยาวเหลือเกินนะแต่ว่าโซลดปัญหาก็ต้องสิหกครั้งอะ่ะมันโซลดวัน16เพราะแต่และเรื่องวิ จ, จิตรมากและพิสดารน่าน่าศึกษาฮนะแต่ว่าต้องพูดไปเป็นชุดชุด นึกจะออกอรายการธรรมบรร ญ, ญายโอ้มันก็ใหญ่เหลือเกินต้องใช้เวลาแล้วเป็นปีถ้าออกรายการธรรมบัญญายเพรารายการมันสั้น เ, เลยอยังยังชะลอชะลออยู่ไม่กล้าเดินนะเรื่องละเอียดมากอันนี้ท่านเองท่านทรงลูกศิษย์มาแล้วท่านผูกปัญหาภัยรอดภยอัภยรอหมดอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากเอาไว้ ดูติดูติ ด, ด ท, ท่านถามมาได้ท่านถามเก่งขนาดนี้นะะอะไรนามรูปจะดับในที่ไหนถามได้คนคิดปัญหาอย่างนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแต่ว่าท่านเองเวลามาแกไม่มาไม่มามันมันอะไรมันมานะมันเกี่ยวไว้แต่นิดเดียวมานะนิดเดียวท่านเองคือท่านเป็นผู้เท่าวกว่าท่านก็คิดอยู่สองอย่างว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงมันก็ไม่มีอะไร มาแต่ถ้าไม่เป็นจริงนี่มันเสียเชิงพราหมณ์พาวรีจัง เ, เดินทางไกลามาเฝ้าเด็กๆนี่โอ้ยไม่ได้ไม่มาส่งลูกศิษย์มาแล้วแต่ว่าท่านมั่นใจก็เรียกว่า 99% นะ ว, ว, ว่าว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงทุกอย่างนี่มั่นใจมากแล้วออกจะแน่ใจไว้ลูกศิษย์สิห้คนนี่ไม่มาแน่ไม่กลับมาแนี่เลยส ก, กิดสั่งหลานชายไว้บอกยังไงยังไงนี่คนอื่นไม่มาแล้วเธอต้องกลับมานะกลับมาเล่าให้ลุงฟังด้วยว่า ตอบปัญหาว่ายัางไงแล้วผลุท้ายก็เอาจริงหล้านชาก็กลั บ, บคนเดียวมาชี้แจงให้ฟังหล้านชายก็พอนั้นก็บอกฟังกอาจิงก็ฟุ้งนะฮะโอ้โหเสียดายจังลุงไม่ได้มาด้วยลุงไม่ได้มาด้วยเสียดายก็ท่านก็ฟุ้งๆคนอื่นก็บรรลุอรหัตหมดท่านไม่ได้บรรลุท่านฟุ้งไปท่านเพลินนะฮะมันเพลินนึกนึกถึงลุงนึกถึงธรรมะมันก็แกล้งใจมันก็แกวง ก็ได้บรรลุแค่นาคาแล้วก็บำเพ็ญเพียรทีหลังจึงบรรลุนี่ก็คืออะไรคือคือมันเหนียววันนี้เดียวเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยนะฮะอย่างอื่นพร้อมหมดทุกอย่างหรืออย่างพระชันนะที่เคยเล่าข่าวพระพระชนะนี่ท่านพร้อมนะฮะคนสร้างบา ร, รมีมาเกิดมาเป็นพระชาติกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาแล้วแต่มันตัวเหนียวนิดเดียวคือมานะเท่านั้นเองแล้วเหนียวไม่ได้มากมายอะไรเราจะพบว่าพอพระอานนท์พอพระพุทธเจ้านิพพานปับน๊บเนี่มานะมันหล่นปุ๊บเลย ไม่มีที่เกาะ ม, มีที่เกาะเมื่อก่อนมันก็เบ่งเพราะอาศัยบา ร, รมีหลวงพ่อตาเจ้าทุกวันก็ไม่ได้เบ่งเพราะพระอานนท์ไปแจ้งมาพระเจ้าสั่งว่าอย่างนั้นเนท่านตกใจแล้วบําเพ็ยนเพียนสามวันบรรลุอรหันะสามวันแต่นั้นเองฮะที่จริงท่านควรจะบรรลุมันตั้งนานแล้วนะฮะพระจันทนะเนี่ยตั้งแต่ตอนต้น ใ, นใหมนะ่ๆน่ะแต่มานะมันเกี่ยวไว้ไปไม่ได้อันนี้อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องอะไรคือน่าวไหน คือมันมันมันเปื่อยมันเน่าจะเองนาจะเองมันก็ต้องจมนะฮะมันต้องจมอยู่ใต้น้ำทรงหมายถึงการที่คนเราประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีความบกพร่องนะมีความบกพร่องในด้านโดยเฉพาะคือคือศีลคือปฏิปทาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติต่างเนี่ยวันนี้มันก็กลายเป็นสนิมใจเป็นวนทินใจสมมุติว่าเรามีความบกพร่องมีปัญหาในทางอารมณ์ในทางศีลในทางอะไรต่ออะไรเนี่ยเขเรียกว่าใจที่มีปัญหานะคร เวลาจะนั่งทําความสงบใจมันก็ไม่สงบไม่สงบมันก็ไปไม่ได้คือสมาธิมันก็ไม่เกิดในที่นี้ท่านอุปมาอะไรอุปมาสมาธิเหมือนกับเหมือนกับทุนอะสมัยนั้นในเรือเริ่มก็หายาก อ, อุปมาเป็นแพบ้างเป็นทุนบ้างเป็นอะไรคือเอาเฉพาะสิ่งที่มันเห็นกันเวลานั้นอย่างปัจจุบันนี่ก็เห็นเรือหางยาวมาแล้วหามัน เรืองยาวเรือยนเรือกลนเยอะแยะไปหมดแต่สมัยนั้นมันก็เอาเฉพาะทุน่นถือว่าเป็นยานพาหนะที่จะนำผาไปแต่ว่าถ้าว่าเป็นคนเน่าคือมั น, นเออ น, น, น่าจะเอง่ะคนนั้นเน่าใชเองทําตัวเองแล้ก็จมฮะก็กไปไม่ได้ก็สรุปว่าเป็นการแสดงธรรมะในรูปของปฏิปทาคือทางดำเนิน บนเส้นทางดำเนินเพื่อไปสู่นิพพานนั้นมันจะมีปัญหาอะไรอยู่และปัญหาเหล่านี้ท่านทั้งหลายได้โปรดเข้าใจว่าเป็นปริยายนะคือนัยยะของเทศนาทนั้นเองไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นอย่างนี้รูปนี้แต่ว่าเวลาปฏิบัติแต่มันเป็นอันเดียวกันนะฮะอาจจะแสดงน้อยแสดงมากหรือว่าภัยวันก่อนเนี่ยไอ้ภยัยตะกี้ที่พูดถึง4อย่างเวลากระจายตัวเองมันก็คุมพวกนี้ได้ คิอว่าแสดงในรูปอะไรในวอ ม, มิกระสูตรจังที่รู้สึกจะเคยบรรยายฟังมางก่อนว่า ม, มิกระสูตรนี่ก็ว่าถึงสิบสีตอนนะฮะเป็นทางเดินจากจากจุดเริ่มต้นเข้าไปนิพพานเหมือนกันเป็นสิบสี่ตอนก็แสดงว่าจะพบอะไรบ้างพบอะไรบ้างอันนั้นพูดถึงการพบคือวิเคราะห์ตัวจิตแต่นี่พูดถึงวิถีทางในการเดินไปเพื่อสู่จุดหมายปลายทางก็คือคือนิพพานก็มัน มันจะมีปัญหาอยู่ในตัวของมันเองเหมือนกับท่อนไม้ที่มีปัญหาในตัวของมันเองตลอดเลยถ้าแกหลุดพ้นจากปัญหาเหล่านี้ไปได้แกก็ไปถึงมหาสมุทรได้คนเราที่ประพฤติปฏิบัติ ธ, ธรรมะในทางาศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะฮะคือเราจะพบว่ายัง ที่ท่านเคยอ่านประวัตาาิอาจารย์เสาอาจารย์เสามันก็มีเกี่ยวมีที่เกี่ยวอย่างเดียวคือปัจเจกพุพธิยานอาจารย์เสาท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าเพราะฉะเวลาปฏิบัติพอจะพ้นแล้วมันไม่ยอมพ้นนะอันนี้มันเกี่ยวไว้ปัจเจกพุทธเจ้าก็เกี่ยวไว้ไอ้ความปรารถนาที่ฝังอยู่ภายในใจมันก็เกี่ยวไว้ทั้งก็ไปไม่ได้อาจารย์มั่นก็แนะนำว่าอย่าเอาเลยอาจารย์นะเพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างอีก น, นั้นน่ะ เอาใชตอนนี้แหละท่านก็ท่านก็ถอนทันก็ถอนนี้ออกแล้วท่านก็ปฏิบัติต่อไปนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าบนเส้นทางที่จะก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีอะไรเยอะแยะนะฮะแต่ละอย่างเป็นเรื่องที่น่ากลัวด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็พร้อมที่จะฉุกระชากหรือดึงหรือผลักหรือกด เราจมไปได้ตลอดดังนั้นก็ส่งเน้นไปที่ปัญญาเป็นเครื่องส อ, สองเป็นเครื่องพินิจพิจารณาทีนี้เรามามองอีกท่านหนึ่งนะฮะคือท่านนันทาคโคบาลซึ่เป็นคนเลี้ยงโคแต่ว่าเราเร า, เราดูแนวแล้วว่าพระพุทธเจ้าเน้นไปที่คนนี้มากเพราะจะแสดงตามอัธยาสัยของคนคือเห็นใครมีบา ร, รมีอะไรก็ประลบ แต่นิ่งๆจะไปเรียกเข้ามาเทศให้ฟังมันก็เทศไม่ได้ไปเรียกเขาไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องเทศให้พิกสุกฟังได้เลยพิสุกฟังไอ้คนนั้นก็ชอบฟังฮะเจ้าฟังก็ยืนแอบฟังอยู่ด้วยยืนแอบฟังแล้วก็ไอ้คนที่แอบฟังแล้วมันกลับได้ประโยชน์มันก็ไม่แน่นะฮะมันก็เหมือนกับเหมือนกับภาษาดิบุตรไงภาษาดิบุตรที่ฟังธรรมะกับซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสแสดงแก่ทีฆะนักขา พระชายาิบุตรนั่งถวายงานพัดพระพุทธเ จ, จ, จ้าอยู่พุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ทีฆนักขะทีฆนักขะก็ได้ศรัทธาเลื่อมายในศาสนาเท่านั้นเองพระชายาบิบุตรบรรลุอรหันนี่ก็เรียกว่าขึ้นอยู่กับการฉกฉวยโอกาสโดยการใช้โอกาสของตนที่มาถึงข้าวให้เป็นประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรสมบุคสมบผู้ น, น, น, นั้นในนันทักโคบาล ก็มอ ง, มอ ง, ม, องมองเห็นว่ามันก็ไม่น่าจะยากครัสำหรับท่าน่ท่านเลยก็ยืนยันตั้งแต่ยังไม่ได้บวชฮะว่าข้าพระองค์จะไม่ยอมให้ถูกซัดขึ้นฝั่งนี้ถูกซัดขึ้นฝั่งโน้นไม่ถูกมนุษย์ยิบไว้ไม่ถูกอมนุษย์จับไม่ให้หน้ำมันบ่นไว้หรือว่าไม่ให้จมไม่ให้อะไรมาเหนี่ยวไว้แล้วก็พยายามจะไม่ให้นาวหน่ยคือท่านท่ท่านยืนยันกับท่านหมดเลยสแสดงให้เห็นถึงอะไรสะแสดงหเห็นถึงความเชื่อมัน่นเชื่อมั่นว่าปฏิปทาเหล่านี้เป็นทางที่ ท่านสามารถปฏิบัติได้นะก็ทําได้ยืนยันไว้ตั้งแต่ต้นและ อ, อีกอย่างหนึ่งคือเป็นแบบเป็นข้อปฏิบัติที่เราให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงทําอะไรแล้วก็รับผิดชอบต่อเรื่องอื่นทั้งหมดอันนี้นิ่งจะจับคนเลี้ยงโคก็มาบวชโดยปล่อยโคไวอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องจัดการสะสางเรื่องภายในบ้านให้เสร็จก่อนแล้วก็ จึงเข้ามาบวชบวชแล้วก็ท่านก็บําเพ็ญเพียรกบรรลุอรหันต์ไปประวัติท่านเหล่านี้ส่วนมากที่มีมันก็มีขนาดเนี้ยเพราะไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นคนระดับพระอริยะบุคคลที่เออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ระดับพระอสีติมาสาวกเพราะต่างคนต่างก็ทํางานแล้วก็ทํางานแบบไม่ประชาสัมพันธ์ทํางานโดยไม่ไม่มีการประชาสัมพันธ์เรื่องงานที่ตัวเองได้กระทาไว้ว่ากระทาอะไรมาบ้าง ดันพอพระสังคีติกาจารย์คืออาจารย์ที่ทําสังขายาณาประธรรมวินัยในตอนหลังพอนําเรื่องเหล่านี้มาท่านก็เอามาติดติดไว้อย่างเงี้ยเพราะท่านก็รู้เท่านั้นน่ะเนื่องจากไม่ได้มีการเล่าไว้ไม่มีการออทรงจํากันไว้การทํางานของพระหานเป็นอันมากฮะที่มีแต่ ง, งานแต่ว่าเราไม่รู้ว่าท่านทาอะไรบ้างก็ได้ผลว่าอย่างไงบ้างนี่ก็เป็น ปทะมะดารุปปะมะสูตรฮนะประสูตรที่อุปมาด้วยท่อนไม้ซึ่งในการอุปมาณนี้ก็อยากจะให้แนวจากที่อื่นนะฮะจากที่อื่นว่าโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท, งทรงทรงอุปมาเป็นสามกับสองในมากพวกพวกพวกอุปมาเนี่ยดังนั้นจึงมีอยู่ในติกานิบาศกับอังกับกับจุติกั กับจตุการนิบาตอังคุตนากายมากในการการเอาสิ่งต่างๆรอบตัวเข้ามาเป็นอุปมาแต่พึงเข้าใจว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นทรงอุปมาจะใช้ในเรื่องอะไรสิ่งเดียวกันก็ยกัยกยาก้ยายาเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยไปเอามาเป็นธาตุเป็นอะไรไปก็ได้ฮะไม้ทอ่อนเดียวนี่เองแต่บางทีอย่างไม้อะไรนะฮะอย่างทรงอุปมาทั้งสารวัตรอีกอย่างนึงทอ่อนไม้เนี่ย โดยการเวียนว่ายตายเกิดในทั้งสารวัตรของคนนั้นก็เหมือนกับท่อนไม้โยนขึ้นบอนอากาศไม่แน่เวลาตกนั้นอาจจะเอาโคนลงก็ได้ปลายลงก็ได้กลางลงก็ได้เพราะคนเราที่ตายไปจากโลกนี้ก็ไม่แน่นะเกิดจะเกิดสูงขึ้นเกิดในสุกติเกิดในพรหมโลกหรืออาจจะเกิดต่าลงไปอธบายไปเลยหรืออาจจะเอากลางๆางลง คือมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิมก็ได้เป็นเรื่องที่ไม่แน่เหมือนกับการโยนท่อนไม้นี่ก็หยิบมาสอนอย่างนี้ทีนี้แนวอย่างนี้อะซึ่งอาจจะเอาอะไรมาเอาลูกมะม่วงมาอันหนึ่งหรือว่าพบแม่น้าก็เอาแม่น้ามาใช้เช่นแม่น้ำนะฮะทรงแสดงลักษณะของนาชฉีโทษคือแม่น้าที่เป็นโทษเอาไว้แสดงะแม่น้าเป็นสี่รูปแม่น้า แคบด้วยตื้นด้วยแม่น้ําแคบแต่ลึกแม่น้ํากว้างแต่ตื้นแม่น้ํากว้างกระลึกแล้วก็เอามาคือคือแม่น้ำเนี่ยมันมีอยู่อย่างนั้นเองแต่พระเจ้าก็เอามาสอนจะสอนในแนวไหนจะสอนในแนวของสมมุติว่าสอนในในแนวของการศึกษา การศึกษาคือคนบางคนคือคือว่าอาจจะพูดระดับอัธยาศัยก็ได้อัธยาศัยหรือพื้นฐานของคนเนี่ยประเภทที่แม่น้ําแคบแต่ตื้นนะความรู้ความอ่านอะไรแต่ไ ร, ไรก็ไม่เคยมีอะไรเท่าไรนะแล้วก็พลงพลงพลงไ ป, ง ป, ง ป, งปงคือตื้นเป็นคนเป็ น, เ ป, นเป็นการเบาแก่ความบางอย่างก็สร้างปัญหาได้เยอะแยะนะฮะพวกเบาแก่ความเนี่ย ในในลักษณะที่อะไรคือเรื่องบางเรื่องมันก็ทำนองที่เรียกว่าฟังไม่ได้ทราบแล้วก็จับไปเกระเียนแนวหนึ่งก็เป็นแม่น้ำที่แคบแต่ลึกซึ่งก็ถ้าพูดถึงว่าคนนั้นหมายถึงว่าแกอาจจะรู้อะไรไม่มากเท่าไหรนะ่แต่ว่าเป็นคนที่คงมข่ายมีความลึกซึ้งมีความเฉียบแหลมสุขุมนันก็ดีไป อีกคนหนึ่งแม่น้ำกว้างแต่ตื้นอันนี้รู้สารพัดนะามายังสังเกตว่าคนคนไทยนี่ไม่เบานะวันก่อนยังยังนึกขำแล้วเมื่อวานนี่เจอแกที่แล้วมายังนึกขำๆหนูไปไปคุยที่บ้านที่ไปไหนนะฮะไปสกว่าในบ้านผู้ใหญ่ในะทางราชการเนี่ยอย่าออกชื่อก็ไเลยก็ ก็ S <S <an other> ปราลบถึงปัญหาตอนนั้นกันนะเราเราเห็นว่ามันมันมีเรื่องมีปัญหาเยอะแล้วพอดีท่านอดีตรัฐมนตรีว่กาการกระทรวงมหาดไทยสำไมอาจารย์ธนินทร์เขานั่งอยู่ก็ <S <S <an other> ถามเขาว่า <S an other> คือท่านพูดไปได้หน่อยเดียวท่นเองมีพันโทคนหนึ่งสอดโครงก็พูดฉัดฉๆดๆั ด, ด, ด, ดมาอย่างนึ ก, กว่าเอยนี่มันเก่งเหมือนกันนะมันนั่งพูดอธิบายกฎหมายต่อหน้านักกฎหมายระดับชาติได้เยมันไม่เบาเลย ไอ้พูดจับๆกเก่งไม่ได้ทุกเรื่องพูดเรื่องอะไรมันพูดได้หมดนะอันนี้พวกอะไรพวกตื้นนะพวกตื้นเหมือนกับแม่น้ำกว้างแต่มันตื้นและอย่างอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่ถ้าพูดถึงว่าเอาดีไม่ได้สักอย่างคนเรานั้นในหลักการศึกษาจริงๆเราก็เอาดีได้อย่างเดียวแต่นันเองจะเอาอะไรให้มันดีแต่นั้นนอกนั้นก็ต่อมาก็รองรองลงไปแต่ถ้านั้นลักษณะเจิงไปอย่างนี้หมดแล้วก็ก็ไม่ไหว น้ำประเภทนี้มันเป็นยังไงฮะเวลาหน้าแรงมันก็ขังน้ำมนไม่ได้เวลาฝนตกมากน้ำมันก็ลน้นคือไม่ได้เรื่องอะไม่ได้เรื่องทั้งสองเรื่องคนเราบางคนก็เหมือนกันคือรู้มากรู้อะไรนิดอะไรหน่อรู้เยอะแยะไปหมดเลแต่ว่ายัางอะไรไม่ได้สักอย่างข้าในลักษณะอะไรพวกความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดอันหนึ่งก็ทั้งกว้างทั้งเล็กนะ กว้างด้วยทั้งลึกด้วยแน่นอนพวกนี้เก็บน้ําไม่ได้มากแล้วก็แม้ระดูน้ํามันแห้งไอะระดูแรงก็รักษาน้ําไม่ได้ก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนได้คนประเภทนี้ก็อะไรคือในด้านวิชาความรู้ก็มีมากแล้วในขณะเดียวกันก็ทําประโยชน์เกื้อกูลแก่คนอื่นได้มากมีความสุขคุ้มลุ่มลึกอะไเป็นต้นเนี่ยทีนี้คืออาจจะใช้ในด้านอื่นอีกก็ได้แต่ว่เราใช้ในด้านการศึกษา ใช้ในด้านการศึกษาหรือใช้ในด้านการประพฤติปฏิบัติก็ได้ประเภทน้ําแม่น้ำํำแคบแต่ตื้นนะรู้อะไรก็น้อยปฏิบัติก็ไม่ได้ประเภทหนึ่งก็ประเภทแม่น้ําแคบแต่ลึกคือท่านรู้ไม่มากฮะแต่ท่านปฏิบัติของท่านได้ปฏิบัติได้และก็ปฏิบัติดีด้วยให้พวกกว้างแต่ตื้น นี่ก็เหมือนกันคืออาจจะรู้เยอะแยะอะไรแต่ว่าทำอะไรไม่ได้กว้างลึกนะั้นแน่นอนนะฮะคือคือทั้งรู้มากทั้งปฏิบัติได้มากแต่อาจจะสะท้อนในรูปอัธยาศัยสะท้อนในรูปอัยาศัยคือพฤติกรรมที่เราเห็นนะฮะพฤติกรรมที่เราปรากฏบางคนตื้นบางคนลึกอะไรแต่อะไรเนี่ยคือนี้ทรงทรงเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วเข้ามาเป็นอุปกรณ์ในการสอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าเป็นโลกวิทู เป็นผู้รู้โลกแล้วก็นําโลกมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยเป็นปัญหาที่เราตกเฉียงกันอยู่ในปัจจุบันในวงการศึกษาเองคือชาวบ้านนั้นมองมองพิกลนะฮะแต่ไม่ใช่ชาวบ้านระดับญาติโยมที่มาวัดอย่างนี้ไอ้ชาวบ้านนอกวัดอะ่ะคือมันมองมองพิกลถ้าหากว่าพระจะไปเรียนรู้วิชาทางโลกจะ แ, แม้แต่บางคนนี่อ่านรื้อพิวยังไม่ได้นะอ่านรื้อพิมพ์ก็ไม่ได้ จะไปรู้เราไม่ได้ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมแก่พระแต่ในขณะเดียวกันพอพระพูดเรื่องเหล่านี้ไมาโอ้ยพระนี่โง่จังไนเห็นรู้เรื่องอะไรเลยนี่เราต้องการที่มันขัดแย้งกันโือความต้องการขัดแยง้งโดยเราไม่ดูเทศแท้จริงและความต้องการของเรานั้นขัดแย้งกันความต้องการอย่างหนึ่งเราต้องการให้พระสั่งสอนประชาชนชี้แจงให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของาศาสนาปฏิบัติหน้าที่ของพระ แน่นอนนั้นเป็นความตั้งต้องการที่ทรงตามวัตถุประสงค์ของศาสนาแต่เราลืมไปว่าพระเรากว่าจะมาทำงานนั้นได้เนี่ยมันนานนะฮะมันนานไม่ใช่วัวนสองวันทําได้เปิดปุ๊บติดปับ๊บอย่างที่บ้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นพระจะต้องศึกษาและศึกษาเหมาะสมแก่ยุคแก่สมัยพระพุทธเจ้านั้นจะเราอย่าลืมพระพุทธเจ้าโล ก, กวิถูกพระทรงสอนทรงหยิบอะไรมาสอนได้หมด ตอ น, นพระเราที่มีขีดความสามารถในการอธิบายชาวบ้านเขาใจไปถึงเด็กเราก็ต้องรู้แบบเด็กเราต้องคิดแบบเด็กเราเอาสิ่งที่เด็กเล่นเนี่ยเอามาสอนให้ได้เพราะว่นกว่ายเราสอนได้เราก็ต้องรู้เรื่องเหล่านั้นว่ามีอะไรเป็นยังไงเพื่อจะพูดให้สมตามคล้อยตามกับสิ่งที่เด็กรู้ด้านในที่สุดก็ต้องศึกษาแล้วเราก็ไม่ให้ศึกษาแ ต, แต่แต่เราก็ต้องการให้สอนซึ่งเป็นความต้องการที่ขัดแย้งกัน มันเหมือนกันอะไรมันเหมือนกับความต้องการเวลานี้ท่านถ้าหากว่าสังเกตทางสุบินสยามรัฐมาหลายวันแล้วนะฮะหลายวันมาเขียนที่จะให้พระทํางานสังคมสงเคราะห์แบบที่คิดว่าเป็นเป็นสังคมสงเคราะห์ซึ่งว่าที่จริงนั้นมาเคยบอกไว้แล้วก็ตั้งใจว่าปลายเดือนเนี้จะออกโทรทัศน์เรื่องเนี้ยคือรายการสนทนาปัญหาบ้านเมืองวันก่อ น, ว, น, อนวันอาทิตย์ที่แล้วเนะครที่ก่อนน้นนะฮะวันอาทิตย์ก่อนมาหน่อยที่พระออกอ่ะหรือเขาต้องการให้มาไปเอง พอดีไม่ว่างเลยตอนนั้นหาเวลาจะไปอัดเทปโทรทัศน์หน่อยก็ไม่ได้ก็ต้องเอาพนณธิบดีกับท่านพุทธิวงศ์ไปออกมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งข้อหนึ่งที่พูดไปแล้วคลุมเครือจังงั้นเราจะเอาตรงนี้ออกวันนั้นนี่คืออะไรคือชาวบ้านเวลาพยายามที่จะให้พระทำสังคมสงเคราะห์แบบแจกของคือตัวเองคิดว่าสิ่งที่ตัวทำตอนนั้นคือสังคมสงเคราะห์ก็ื้อทให้จสังคมสงเคราะห์เนี่ย น, นเรื่องเรื่องหลง ที่จริงพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่สังคมสงเคราะห์มันเป็นโลกกสงเคราะห์เป็นโลกการสงเคราะห์พระเจ้าแสดงไว้ดังเปิดเผยเลยตั้งแต่ต้นไลจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่ชนเป็นนันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเป็นโลกกสงเคราะห์เราไม่ใช่สังคมสงเคราะห์แต่การสงเคราะห์นั้นคือเอาสิ่งที่เรามีอยู่ไปสงเคราะห์อย่างหมอเนี่ยก็ต้องสงเคราะห์ด้วยเรื่องของยารักษาครูก็สงเคราะห์ด้วยวิชาความรู้ ใครก็สงเคราะห์ทหารก็สงเคราะห์บ้านเมืองด้วยขอบคายของทหารแล้วตอนนี้มันมีลักษณะจุนจ้านมันจุนจ้านไปหมดเลยไม่รู้ใครเป็นอะไรกันแนะ่ใครทําอะไรมีหน้าที่ขอบคายยังไงไม่มีความไม่มีความรับผิดชอบไอ้เรื่องของตัวไม่ทําแล้วก็จะไปทําเรื่องของคนอื่นแล้วในที่สุดมันก็บกพร่องในเรื่องของตัวเองพระเราพระพุทธเจ้าวางไว้ขีดเส้นงานสังฆมสงเคราะห์ไว้หกข้อเลยเดิสั่งสอน ถ้าไม่ให้ทําความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดีสงเคราะห์โดยน้ําใจงานไม่ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วแจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์ให้หข้อท่านทั้งหลายจะเห็นว่างานเรานี้ก็ทํากันอยู่ประจํานี่แหละแต่ว่าเราติดในรูปแบบว่าสังคมสงเคราะห์ก็คือไปด้วยแจกของพวกจัดจัดจออกออกของจัดจัดจัดัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจันจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดัดจัดจัดจัดัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจั คนอื่นไม่ใช่สังคมสงเคราะห์เท่านั้นสังคมสงเคราะห์ที่จริงโดยความหมายคือการกระทยกระทําอะไรก็ตามที่เป็นการเกื้อกูลต่อคนอื่นการกระทํำนั้นก็เป็นสังคมสงเคราะห์เพราะงั้นทุกคนนั้นที่ไม่เห็นแก่ตัวจนสาหัสสาการจริงแล้วก็คือทํางานสังคมสงเคราะห์อยู่ด้กันแต่เรากำลังติดรูปแบบรูปแบบว่าที่ฉันทำเท่านั้นคือสังคมสงเคราะห์คนอื่นทำไม่ใช่สังคมสงเคราะห์แล้วแล้วก็จะด่าคนอื่นโดยยกไอ้บางทีนี่ไปแจกแทงน้ําแทงเดียวเนี่ยมาคุยกันได้ตั้งปีนะฮะ ม, มีอะไรทั้งนา้นเลยคนก็ทํามากกว่านั้นก็ไม่คุยกันเยอะไปแลงานคนละสายงานคนละขอบขายกันปัญหาสำคัญแบบนี้คืออยู่ที่ว่าเราต้องการขัดแย้งกันตรงนี้ตรงนี้ท่านท่านทั้งหลายเราสังเกตว่านี่คือความขัดแยง้งที่เราเป็นความต้องการจากพระแต่มันขัดแย้งกันอยู่ในตัวเราในขณะหนึ่งเราโจมตีว่าพระเดียวนี้มีการเรียร์ไรมากมีการรบกวนชาวบ้านมากสร้างนั้นสร้างนี้ทํานั้นทํานี้ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนสิ้นเปลืองจนแต่งโครงกรมาด่ามาว่ากันบัดตุนเท่เขียนหนังสือพิมพ์แล้วในขณะเดียวกันเรียกร้องให้พระแจกของให้ทํางานสงเคราะห์แบบแจกของคือต้องนึกต่อ ว, วัตถจักรเึงมันคือเราก็เราเรียนธรรมะในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนามองปัญหาในรูปของวัตตจักรมันมีเหตุปัจจัยสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกา ร, ะการอะไรกันอ้าวพระแจกของของได้มาอย่างไหนซื้อ ซื้อด้อะไรซื้อด้เงินเงินได้มาจากไหนมันก็ต้องถามก็ต้องเรียกอะไรเรียกอะไรใครก็เรียกอะไราชาวบ้านมันเข้าวัตถจักรของการได้อะไรเลยเรียกอะไ ร, ร, รสองเรื่องเลยทีเนี้เรียกอะไรเรื่องของวัดเองก็บเรียกอะไรไปแจกชาวบ้านเป็นงานสังคมสงเคราะห์ทีนี้เป็นยังไงครับพอชาวบ้านเห็นพระเลยก็เตรียมวิ่งหนีได้แย่งวิ่งหนีได้มาแล้วหาลงแล้วทีนี้หาลงเลยมาต้งเอาต้องหลายเรื่องเลยเนี่คือเราลืมนึกไปนะ เราลืมนึกไปเราไม่ได้มองรูปในแง่ของของเหตุปัจจัยกันใดกันจนเวลาเนี้ยยกย่องเอามาเขียนอย่างน่าต้องสืบินสยามรัฐเอามาเขียนบ่อยว่าคริสเนี้ยเขาดีแต่ให้พระเราดีแต่ขอเราไม่ได้ตั้งคําถามอีทีเขาเอาอะไรให้เอาของมาให้ของนั้นก็ได้มาจากไหนก็ซื้อซื้อด้วยระไซื้อด้วยเงินเงินเขาได้มาจากไหนผิดเงินเองไะมันก็เข้าวเลียไรอีกกันแล้วมันก็อีรอบเดียวกันนั่นเอง เราจะเพราะว่ามันต้องมีที่ไปที่มาสิ่งต่างๆมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่างๆอะไรกันทําไมเรามองเฉพาะตรงเนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยมามีคนที่ที่จริงรู้สึกว่าท่านท่านจะเป็นคริสนะฮะแต่ว่ามานั่งกับมาทานอยู่นานเนี่ยเอามาบอกว่าคนเราในมองปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับมองอาหารในจานยคือมันเห็นเฉพาะอาหารในจานมันเรื่องง่ายมากแต่ไม่นึกถึงว่ากว่าจะมาเป็นอาหารเนี่ยมันคืออะไร มันผ่านขั้นตอนมาอย่างไงมันผ่านยาดเงือผ่านแรงงานผ่านความทุกข์ยากลําบากมายัางไงกว่าจะมาเป็นอาหารเวลานี้คนมองปัญหาเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ไม่ได้มองในแง่เหตุปัจจัยแบบปัจจยการของพระพุทธเจ้าปัญหาจึงเกิดสั บ, ส, บสนหมดอย่างแนวเนี้ยอย่างอย่างแนวความเชื่อเรื่องพรัริยบุคคลจะบรรลุเนี้ยมันก็มองแบบอาหารในจานคือมองเป็นเป็นอาหารอยู่แล้วไม่ได้มองว่ากวา่าท่านจะมาบรรลุนั้นะเป็นยังไง ยังไอ้เด็กๆเลนี่ยมันด่าคนรวยๆกันนั้นด่าจริงมันไม่นึกว่าไอ้ก่อนเขารวยเนี่ยเขามาเป็นยังไงนี่อายุเขาขนาดเนี้ยอ้ตอนที่อายุเขาเริ่มเขาไตาอันดับมาเนี่ยเขาทุกข์ยากลําบากยังไงเขาอดอยากทิวโหยยังไงก็อต่อสู้ชีวิตมายังไงเขาประสบทุกข์ทรมานยังไงเราไม่ได้คิดนะเรามาคิดตอนเขารวยแล้วแล้วก็ น, นึกว่าเป็นยังงั้นเป็นอย่างงี้โอรัดเอาเปรียบอะไรอะไรอยู่ดีมีสุขไม่คิดสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นไอ้ตอนไอ้ตอนเขาเดือดร้อนใครสงเคราะห์ก็บ้างแหะเออเรามองกัน คอยแทจริงมองกันให้ตลอดสายถ้าเรามองอะไรตลอดสายแบบปัจจัยาการนะปัจจัยาการเขาเรียกกันไรเขาเรียกอิทับปัจจยาตานะฮะปัจจนะุบันรู้สึกอิทับปัจจยาตาเปนต่งอิทับปัจจยาตาปฏิจจสมบัติปัจจัยการนั้นคือการมองในแง่ของสิ่งทั้งหลายต้องสาวกันไปเลยมันมาจากไหนกันนะสาวกันไปหาเหตุที่แท้จริงให้ได้เป็นสืบถึงต้นต่อของเรื่องแล้วเราจะมองเห็นว่าไอ้สิ่งทั้งหลายนะั้นมันมามาจากเหตุมนทั้งหมด และถ้าความต้องการในลักษณะขัดแย้งอย่างยกตัวอย่างให้ฟังสองเรื่องมั่งก็เป็นปัญหาที่อึมครึมกันอยู่เวลานี้เพราะงั้นการศึกษาของคณะสงฆ์มั่ก็ไปไม่ได้เพราะเป็นความต้องการที่ขัดแย้งกันเราต้องการพระเราที่มีคุณภาพมีความรอบรู้เหมาะสมแก่การที่จะสอนประชาชนแต่งในขณะเดียวกันเราลอร็ลอกประตูไม่ให้พระเรียนเราประตูไม่ให้พระเรียนแล้วคิดจะตั้งโรงเรียนคิดจะเอาพระไปสอนเฉะนั้นฉะ น, นี้แล้วเอาแมวที่ไหนมาสอนเราก็ไม่ได้เรียนน่ะก็ไอคนที่จบ เป็นชาวบ้านก็มาบวชบวชกันบ้างก็ไม่บวชนะเรื่องในขณะการพระที่อยู่ในวัดเราไม่ให้เรียนแต่เราต้องการจะให้พระทํางานเลยก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าต้องการอะไรกันนี่คือความสับสนดังนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาจึงต้องมองทุกอย่างในแง่ของเหตุผลสาวไปถึงต้นตอของเรื่องและถ้าจะแก้อะไรจะสร้างอะไรขึ้นมาก็เอากันที่ต้นตอกันเลยนี่คือหลักของปฏิยาการซึ่งแนวชาวพุทธเราจําเป็นจะต้องมองปัญหาในแนวนี้นะ แต่หากว่าเรามองแนวนี้ยังไม่ได้แล้วมันก็สับสนวุ่นวายอยู่ต่าง น, น, นี่ก็เป็นเรื่องตัวอย่างที่เราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นสัพพันธ์อยู่จริงๆเอาทุกอย่างเอาใช้อะไรได้หมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องเวลานะฮะเรื่องเวลาของชีวิตพระพุทธเจ้าจะไม่ปล่อยให้ลูกศิษย์ของพระองค์เสียเวลาไปด้วยเรื่องที่ไม่ไม่เป็นประโยชน์ ถ้าเห็นเริ่มความคิดจากฟุ้งสั้นชักพูดนอกเรื่องแล้วก็รีบดึงเข้ามาหาเรื่องที่จะได้เป็นประโยชน์ครูของเรานั้นมีรอบตัวในแง่ของพระพุทธศาสน า, ศาทุกคนทุกแห่งทั้งตัวเราเนี่เป็นครูเราได้เรียบร้อยหมดเลยการเรียนธรรมะในศาสน า, ศาจึงเรียนจากสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาความรู้แจ้งธรรมชาติแล้วก็ไม่ยึดไม่ติดในธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นจุดมุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาก็ วันนี้ก็ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี